ฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักขมก่มจิตของเราในสมัยที่ควรขม่มถ้าจิตอันนี้เกิดขึ้นก็ต้องข่มด้วยวิธีการอย่างนี้จึงจะระงับแม้ในอารมณ์ในด้านอื่นๆก็เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดในด้านอื่นๆเราก็ต้องรู้เท่าทันแต่ว่าการจะขม่มจิตชนิดนั้นน่ะควรจะใช้ธรรมะข้อไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาไว้อย่างความฟุ้งซ่านนี่เราจะข่ม ไม่ให้จิตเนี่ยเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นก็ต้องเอาความสงบเข้าไปแก้ไขท่านทั้งหลายถ้าในวาระใดจิตของเราเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาจนกระทั่งเกิดความเร่าร้อนใจก็ขอให้เราเนี่ยเข้าสู่ความสงบให้ปรารบความปรารบปัจติสำโพชงโดยปรารบถึงความสงบอันนี้ให้มากและความฟุ้งซ่านเหล่านั้นก็จะลดน้อยถอยลง เพราะผู้ที่เข้าสู่ปสัสสทธีสัมโพชฌงแล้วนี่อารมณ์จะเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาอยู่ตลอดแล้วก็ไม่พุ้งสร้างไปสู่อารมณ์อื่นแต่ว่าปัญญาที่จะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ในภาวะเช่นนั้นเพราะว่าปสัสสทธิคือความสงบนี่ถ้าจะพูดโดยนิยะแห่งวิปัสนาแล้วท่านก็เรียกว่าเป็นวิปัสนูปกิเลสเดีเป็นวิปัสนูปกิเลสนั้นเพราะว่าเป็น เป็นความเศร้ามองของมิปัจฉณาญาณหรือเป็นความเศร้ามองของปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากพิปัสฉนาถ้าเราไปติดอยู่ก็เป็นความเศร้ามองอันหนึง่งแล้วก็เป็นอุปกิเลสอันหนึง่งที่เป็นอุปกิเลสนั้นเพราะว่าเรามีปัญหาแหละทิฏฐิเข้าไปประกอบมีนิกันติเข้าไปประกอบที่ว่ามีตัญหานั้นเพราะว่าเรารู้สึกยินดีรู้สึกพอใจในอารมณ์เช่นนี้เหลือเกิน การไปรู้สึกยินดีพอใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ยก็เป็นปัญหาเป็นโลภะเราก็ติดอยู่เพียงแค่เนี้ท่านจึงบอกว่าเนี่ยเป็นวิปัสณูปกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของปัญญาญาณของผู้ปฏิบัติไปสู่วิปัสนาญาณฉะนั้นเรายินดีก็ไม่ได้แปลว่าแก้ไขชั่วขณะหนึ่งนั้นเราแก้ไขได้ด้วยวิธีการอย่างนี้แก้ไขจิตที่ฟุ้งซ่านให้เกิดความสงบขึ้นมาด้วยปัจติ นี่เป็นการแก้ข้อทิ่หน่งการแก้ความฟุ้งซ่านข้อที่สองคือให้เจริญสมาธิสำโพธิชมเจริญสมาธิสำโพธิชมเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องทําจิตนี้ให้มั่นคงให้เกิดสมาธิขึ้นทต่ในการทําจิตให้เกิดสมาธิขึ้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรอุบายของผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านแล้วจะทําจิตให้สงบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยผ่านการปฏิบัติมาก่อน ก็ให้เราทาจากขั้นหยาบไปสู่ขั้นละเอียดเช่นเป็นต้นว่าพอเรารู้ตัวว่าจิตนี่เช็กไม่ค่อยสบายหรือเช็คฟุ้งซ่านก็ขอให้เราเนี่ยหาอุบายทําจิตให้เป็นสมาธิขั้นต้นสวดมนต์ไหว้พระพยายามเข้าสู่ที่บูชาพระหรือบางท่านเนี่ยก็ไปสารวจนอยู่กับที่บูชาพระจัดโน่นจัดนี่จัดดอกไม้ผูกเทียน เปัดองศะให้สะอาดบางท่านก็จุดทูบเทียนนั่งสวดมนต์สวดนั่นนหะเที่ยวหนึ่งไม่สงบกว่าสองเที่ยวสองเที่ยวไม่สงบกว่าสามเที่ยวสวดเรื่อยสวดแล้วสวดอีกจิตก็จะสงบเองสําหรับผู้ที่เคยปฏิบัติก็สมรวมจิตเข้าสู่การปฏิบัติรรทันทีอย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านอย่างนั้นเริ่มทําสมาธิกําหนดอารมณ์ที่เป็นกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นอารมณ์ ท่าที่กําหนดพุทธคุณก็นึกถึงบริกรรมพุทธคุณจเจริญอาณาปานุสติก็กําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างได้ย่างหนึ่งแล้วความฟุ้งซ่านก็จะสงบระงับลงเนี่ยเป็นวิธีจเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ทีนี้ปัจจัยที่จะให้เกิดมีสมาธิสัมโพชฌงค์นี้ขึ้นนั้นได้ได้เคยอธิบายมาแล้วครั้งหนึ่งถึงเรื่องปัจจัยส่วนนี้ซึ่งท่านได้แสดงถึงปัจจัยไว้สิบเอ็ดประการด้วยกัน ความสงบจะเกิดขึ้นข้อที่หนึ่งก็คือทําวัตถุให้สะอาดประการที่สองฉล า, าดในนิมิตฉลาดในนิมิตก็คือฉล า, าดในสมถานิมิตที่เราได้เจริญอยู่ที่เราปฏิบัติอยู่เพราะการทําสมาธิเนี่ยเรียกว่าจเจริญสมถะก็จะต้องฉล า, าดต่อสมถานิมิตนั้นประการที่สาม ทำอินทรีย์ของเราเนี่ยให้เป็นไปโดยสม่าเสมอเช่นศรัทธาวุรยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยต้องปรับให้เสมอกันอย่าให้มากให้น้อยแต่ว่าให้เป็นไปโดยสม่าเสมอกันประการที่สี่คมจิตในสมัยและประการที่ห้าประคองมจิตในสมัยดังที่เด้กกำลังศึกษากันอยู่ประการที่หก ทำจิตให้เกิดความรู้สึกแช่มชื่นร่าเริงด้วยอำนาจแห่งความเชื่อและความสงบที่ว่าจิตจะแช่มชื่นร่าเริงขึ้นด้วยอำนาจแห่งความเชื่อและความสงบนี่เชื่ออะไรและมุ่งไปสู่ความสงบชนิดไหนจิตที่จะเกิดสมาธิจิตขึ้นมาเนี่ยก็คือเชื่อกรรม เช่นบางครั้งจิตฟุ้งซ่านเกิดความหวาดกลัวขึ้นว่าแมมไอ้นั่นไอ้นี่จะเกิดขึ้นแกเราอย่างที่เราแตกตื่นกันว่าคนปีมะจะต้องตายในปีสองปีเนี่ยยงก็ฟุ้งซ่านกันใหญ่เนี่ยจะแก้ไขเป็นยังไงเราจะต้องมีความทำจิตให้ด้าเริงด้วยอานาจแห่งความเชื่อแต่เชื่อในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงไปเชื่อว่าปีมะจะต้องตาย หรือจะไปเชื่อว่าจะต้องมีผู้นั้นผู้นี้มาปลดเปลื่องเคราะห์กรรมให้เราต้องเชื่อกรรมตายหรืออยู่อยู่ที่กรรมทั้งนั้นเพราะเรานึกถึงกรรมแล้วเราจะรู้สึกสงบว่าทุกอย่างแล้วแต่กรรมหรือแล้วแต่วิบากกรรมเรื่อวิบากกรรมเนี่ย ใ, ใครๆก็แก้ไขไม่ได้เพราะชีวิตของคนไม่ใช่พระพรหมฤิธิ์หรือไม่ใช่ดวงดาวดวงนั้นดวงนี้มาฤิ์ขิตแต่กรรมต่างหากที่ลิ์ขิตชีวิตของเรา เฉะนั้นจะเป็นอย่างไรก็รแล้วแต่กรรมเราปรารกกรรมอย่างนี้ขึ้นจิตก็จะสบายจะสงบขึ้นพอแล้วแต่กรรมเท่านั้นเราก็ไม่ต้องฟุ้งซ่านอะไรเราเชื่อในที่เนี้หมายถึงเชื่อกรำหรือเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยเชื่อในการตรัสรูสร้ของพระพุทธองค์เชื่อในผลของกรรมเท่านี้เราก็ไม่ต้องไปฟุ้งซ่านอะไรจิตก็จะสงบเพียงแค่เชื่อกรรมเท่านั้นในความเชื่อ ด้วยความร่าเริงใจและความสดสดเนี่หมายถึงว่าเราพิจารณาเห็นเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็รู้สึกสดใจเมื่อพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอารมณ์แล้วเมื่อความโสดเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านก็หายไป ท, ทันทีเนี่ยจิตก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากสมาธิก็เกิดประการที่เจ็ด เข้าไปเพ่งเฉยต่อจิตที yup. ่ดาเนินไปโดยชอบแล้วจิตที่ดาเนินไปชอบแล้วเนี่ยหมายถึงจิตนั้นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นนิมิตถ้าจะเริญนสมถะก็หมายถึงอยู่กับสมถะนิมิตถ้าจะเริยนวิปัสสนาก็หมายถึงอยู่กับรูปและนามจิตที่ดาเนินไปอยู่กับรูปนามก็ดีในสมถะนิมิตก็ดีจักว่าเป็นจิตที่ดาเนินไปโดยชอบแล้ว การดําเนินของจิตเช่นนั้นน่ะไม่ผิดทางเราก็ต้องเพ่งเฉยต่อจิตยอย่างนั้นประการที่แปดจะต้องเว้นจากบุคคลที่ฟุ้งซ่านมีใจไม่มั่นคงเช่นคนโลเลอย่างคนที่กลัวอะไรมากเนี่ยอัตมาว่าโลเลแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าสาธุชนเราในปัจจุบันเนี่ยยังโลเลกันมากอยู่แต่ว่าโลเลมากอยู่เนี่ยคือยังไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน เพราะจะเห็นได้ว่าถึงกราวที่มีขา่าวอันเป็นมงคลตื่นข่าวเช่นนี้ขึ้นมาอย่างนี้เราก็วุ่นวายแล้วรู้สึกวุ่นวายกระวบบนกระวายทันทีเกิดความหวาดกลัวแสดงให้เห็นว่าสาวตุชนนั้นยังไม่ได้มั่นคงในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนตื่นง่ายถ้าหากว่าเรามีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาแล้ว มีความตั้งมั่นอยู่กับพระธนรมตรายแล้วความวุ่นวายอันนี้ก็จะไม่เกิดเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังลังเลกันอยู่และก็ยังไม่มั่นใจว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะจะตรัสธรรมะเช่นนั้นจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราพิสูจน์ได้รู้ได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของสาธุชนเนี่ยที่ยังยังไม่เข้าใจต่อพระพุทธศาสนาอันถูกต้องเนี่ยยังมีอีกมากอยู่อันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องของความสงสารที่เราควรจะแผ่ความกรุณาไปให้ว่าทำยังไงถึงจะให้ธรรมะที่เราได้ศึกษาเผยแพร่กันอยู่เนี่ยให้สาวชนจำนวนมากๆเกิดความ้าใจขึ้นอันนี้ต้องแผ่ความกรุณาไปให้เขาก็คือจะต้องเผยแพร่กันให้มากว่ายังยังลังเลกันอยู่อีกเยอะและก็ยังไม่แน่นอนยังคลอนแคลนต่อพระธรรมตรายอีกมากอยู่ ซึ่งเราจะต้องเผยแพร่กันเยะทีเดียวอันนี้ตมาว่าอยู่ที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงการเผยแพร่ให้ดีขึ้นตมาน่ะไม่ไม่ปรากรามลงโทษหรอกญาติโยมที่ไปสดะดาะพระเคราะห์กันในวันนั้นน่ะแต่สงสารแล้วก็ที่สงสารก็นึกถึงว่าเอ๊ะพวกเรานี่เผยแพ่กันไม่ได้ความต้องโทษละไม่ช่วยันสอน ญาติโยมเนี่ยเก็ไปสิต้องสอนให้ดีๆสิถึงยังไม่ไปะโผล่ท้ายพระเสียอาตมาก็ว่าพระต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โยมคนนู้นคนนี้รับผิดชอบพระต้องสอนชาวบ้านเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่สอนกันมาก่อนไม่อบรมให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็มันก็วุ่นวายอย่างนี้แหละฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นบิดามารดา เวลาเนี้ยเรามีบุตรก็รีบอบรมบุตรตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปให้เข้าใจพระพุทธศาสนาต่อไปบุตรก็คงจะไม่กลัวอย่างนี้เราโยมที่กลัวๆเนี่ยเพเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้อบรมมาก่อนแล้วก็พระไม่ได้อบรมมาก่อนก็เลยไม่เข้าใจนั้นเรามีลูกมีหลานก็ต้องอบรมลูกหลานของเราไว้ว่าอะไรเป็นอะไรพระพุทธศาสนาคืออะไรสอนให้แก่รู้เรื่องเมื่อแกรู้เรื่องเข้าใจดีแล้วเนี่ยเชื่อแน่ว่าคงจะ ไม่ไม่เกิดความฟุ้งซานอย่างนั้นถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ต้องไปไปแน่เนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะต้องเข้าใจต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความมั่นคงต่อพระธรรมตรายให้ดีขึ้นนี่เป็นอัปนาโกศลข้อที่ข้อที่แปดข้อที่เก้าคือเศษ บ, บุคคลผู้มีใจตั้งมั่น ก็คือผู้ที่มีสมาธิจิตดีแล้วก็ข้อที่สิพิจารณาฌานและวิโมกอันนี้หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติถึงถึงอัปปนาสมาธิแล้วประการที่สิบเอก็คือน้อมไปสู่คุณธรรมนั้นนั่นปัจจัยทั้งสิเอประการนี้เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงเมื่อสมาธิสัมโพชฌงเกิดอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านก็หายไป นี่เป็นอุบายอันหนึ่งที่เดวาคมจิตในสมัยที่ควรคมออวิธีจะไปคมจิตที่ฟุ้งซ่านประการที่สามก็คือต้องเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอุเบกขาเนี่ยคือความวางเฉยคำว่าวางเฉยในที่นี้ก็คือพิจารณาสิ่งนั้นด้วยความเฉยของจิตไม่เกิดความหวั่นไหวก็คือ วางตนเป็นกลางหรือวางจิตให้เป็นกลางต่ออารมณ์อย่างนั้นไม่เกิดความหวั่นไหวปัจจัยที่จะให้เกิดอุเบกขาสัมพุทธชงนี้ท่านแสดงไว้มีอยู่ห้าประการด้วยกันประการที่หนึ่งเราจะต้องวางตนเป็นกลางในสัตว์ที่ว่าวางตนเป็นกลางในสัตว์เนี่ยหมายถึงว่าในภาวะที่เราเห็นสัตว์ ประสบต่อความทุกข์ยากเราอยู่ในฐานะที่ช่วยไม่ได้หรือช่วยไม่ทันการช่วยไม่ได้ก็ดีการช่วยไม่ทันก็ดีบางครั้งก็ทาให้จิตเกิดความท์ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายวิสุทธิมรรคหรือทางแห่งความบริสุทธิ์ในวันนี้ จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสภาวธรรมขององค์ชานให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจโดยแจมแจ้งอีกสักครั้งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสภาวธรรมที่เป็นองค์ชานว่าความหมายของคำว่าชานในพระพุทธศาสนากับคำว่าชานในศาสนาพราหมณ์หรือในลัทธิฮินดู หรือคำบั ช, ชาญที่เราได้เข้าใจกันในทางพาหิ ร, รัลทธิคือนอกไปจากพระพุทธศาสนานี้จะมีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรประว่าเรื่องของฌานนี้ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษากันให้เข้าใจแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความคว้ยเขวนในด้านของการปฏิบัติระหว่างพระพุทธศาสนากับลัทธิต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน ความจริงคำว่าฌานเป็นเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นก่อนพระพุทธศาสนาทั้งมีผู้ที่ปฏิบัติจนกระทั่งมีสมาธิจิตถึงขั้นฌานก่อนพระพุทธศาสนาเกิด้ะได้ไดํำไปเราจะทราบได้จากในสมัยที่พระสัมมาสัมพุท ธ, เ, ธเจ้าได้เสด็จออกพนวดใหม่ๆ ระหว่างแสวงหาโมฆะธรรมนั้นได้ไปศึกษาในสำนักของท่านอาราราบทกับภูสะกดาบทจนกระทั่งได้สมาบัตแปดคำว่าสมาบัตในที่นี้ก็คือฌานสมาบัตที่เป็นรูปฌานกับอรูปฌานรูปฌานมีสี่อรูปฌานมีสี่เราจึงเรียกว่าสมาบัตแปถ้าจะเรียกกันให้เต็มต้องเรียกว่าฌานสมาบัตจึงจะถูก แสดงให้เห็นว่าแม้ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณการบำเพ็ญสมาธิเพื่อไปสู่ฌานนั้นก็มีอยู่แล้วทั้งหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในคำพีพระสุ ต, ตันตปิฎกในพรรมชารสูตรทีขณิกายศีละขันธวัคท่านก็ได้แสดงถึงลัทธิต่างๆมากมายว่าได้ปฏิบัติจิตถึงขั้นรูปฌานอรูปฌาน แต่สมาธิจิตขั้นนี้ยังเป็นพรหมชาละอยู่คําว่าพรมชาละในที่นี้ท่านหมายถึงไข่ของพรหมซึ่งสมาบัติของเจ้ารัธิทั้งหลายเหล่านี้แม้จะปฏิบัติถึงขั้นนี้ก็าตามก็เสมือนหนึ่งยังอยู่ในไข่อยู่ในไายในที่เนี้ยท่านอุปมาว่าเหมือนกับปลาที่อยู่ในวงล้อมของอวนของแหหรือของตาข่ายที่เราไป ล้อมไว้ปราก็ไม่สามารถที่จะหนีให้หลุดพ้นจากบ่วงหรือร่างแหเหล่านี้ให้รอดพ้นไปได้ฉันใดประดีการปฏิบัติของพรามนาจารย์ทั้งหลายในสมัยนั้นก็เช่นกันแม้จะทําสมาธิจิตถึงสมาบัติแปดก็ตามแต่พรามทั้งหลายเหล่านี้ก็หาได้พ้นไปจากวัฏะสงสารได้ไม่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังสูงที่สุดก็เกิดขึ้นในพรหมโลก ซึ่งก็ได้เสวยความสุกจากฌานแต่ความสุกจากฌานนั้นก็มีวันเสื่อมได้เช่นกันเหมือนความสุขบนสูงสวรรค์เราทำบุญทำทานเพื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรเท พ, พธิดาเราก็จะคิดว่าเป็นเทวดาแล้วจะเป็นอมรตามชื่ออมอนนะรน่ะแปลว่าผู้ที่ไม่ตายหรืออมระซึ่งแปลว่าผู้ที่ไม่ตายเราจะคิดว่าเกิดเป็นเทวดาแล้วเราก็ไม่ตายเป็นอมตะ จะเสวยทิพยสมบัติหรือความสุขเช่นนั้นตลอดกาลก็หาไม่เทวดาก็มีวันหมดบุญเหมือนกันเทวดายังมีการแก่การตายมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซึ่งชาติใน่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็อาจจะยืนยาวกว่ามนุษย์มนุษย์เราแม้เราจะมีทรัพย์สึงคานมากมายแค่ไหนก็อยคิดว่าเราจะเป็นผู้มีบุญเช่นนี้ตลอดไป ถ้าเราประมาทวันหนึ่งอาจจะเป็นคนหมดบุญก็ได้หรืออาจจะสิ้นบุญก็ได้ถ้าเราไม่สั่งสมบุญไว้อยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นแม้เราจะปรารถนากันไปสู่เทวโลกเราก็ไม่พ้นไปจากวัตะสงสารได้ไม่พ้นไปจากความเปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่าพรมมชาละแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิจิตถึงขั้นชานนั้นเขาทากันมาแล้วก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น หรือก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงสมาธิหรือฌานนอกไปจากพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้หรือไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงได้ฉะนั้นสมาธิในองค์มรรคแปดท่านจึงมีคําว่าสัมมาสมาธิเป็นที่สุด ในองค์มัทธิแปดมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วจึงจะเป็นสัมมาวิมุตติคาว่าสัมมาสมาธินี้แปลความตั้งใจมั่นชอบสมาธินั้นเป็นสมาธิเพื่อไปสู่สัมมาวิมุตติจึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิถ้าสมาธิอันใดไม่เป็นไปในทางที่ชอบแล้ว การหลุดพ้นจะไม่เกิดขึ้นซึ่งอันนั้นจะเป็นมิจฉาวิมุตติถ้าหากว่าเป็นมิจฉาสมาธิอันนั้นก็ต้องเป็นมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นในทางที่ผิดไม่ใช่ในทางที่ถูกแปลว่าสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนานี้จะต้องไปสู่สัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นในทางที่ถูกในทางที่ชอบการปฏิบัติธรรมนั้นจึงมีปัญหาว่า เราจะต้องเข้าใจด้วยแม้เราจะทำฌานก็ไม่ใช่วาชานในพระพุทธศาสนา น, นี้จะไม่ใช่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์หรือการที่เราจริญสมถะก็ไม่ใช่หมายความว่าการจเจริญสมถะนั้นจะไม่ใช่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์สมถะนั้นเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าสมถะนั้นถ้าเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็สามารถที่จะขจัดราคะได้ การขจัดราคะได้นั่นแหละเราเรียกกันว่าเรียกว่าหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งใจหรือหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งสมาธิถ้าหากว่าเราขจัดอวิชชาได้ความหลุดพ้นนั้นก็เรียกว่าหลุดพ้นกันด้วยปัญญาหรือหลุดพ้นกันด้วยวิปัสสนาฉะนั้นการหลุดพ้นในทางพระพุทธศาสนาเรานี้ ท่านจึงจักไว้เป็นสองทางเป็นการหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธิทางหนึ่งและเป็นการหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาเนี่ประการหนึ่งรวมเป็นสองทางด้วยกันสมาาถะจึงเป็นทางหลุดพ้นอีกทางหนึ่งเหมือนกันกับวิปัสสนาต่างกันแต่ว่าจุดเริ่มต้นของสมถะนั้นจะต้องฝึกฝนในด้านของสมาธิโดยเอาบัญญัติเป็นอารมณ์ไม่ใช่เอาประมัติเป็นอารมณ์ เราทำสมถะเนี่ยเราต้องอาศัยบัญญัติบัญญัติในที่นี้หมายถึงกะสินบัญญัติกะสินเนี่ก็เป็นบัญญัติแม้พระพุทธคุณที่เราบริกรรมกันอยู่ก็เป็นบัญญัติกสินเป็นบัญญัตินั้นแต่บัญญัติชนิดนี้เองที่ไปสู่วิชมานะบัญญัติทําให้เราเข้าใจในบัญญัติที่ลึกซึ้งสูงขึ้นเป็นรูปเป็นนามได้และก็สามารถที่จะกําหนดสามัญลักษณะในบัญญัตินี้ได้เช่นเดียวกันฉะนั้น การปฏิบัติสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นหลักปฏิบัติในสัพพุทธศาสนาทั้งสองทางต่างกันแต่ว่าฌานหรือสมถะในสัพพุทธศาสนา น, นั้นต้องเป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เป็นไปในทางที่ถูกไม่ใช่สมาธิที่เป็นไปในทางที่ผิดผิดเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าจะมีคำว่าการเข้าฌานเพื่อ ดูอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างก็ดีอันนั้นไม่ใช่ฌานเพื่อความบุญค้นและไม่ใช่สมาธิที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาจริงอยู่ผู้ที่ได้ฌานนั้นย่อมดูอะไรได้ย่อมใช้สมาธิให้เกิดประโยชน์ได้และพร้อมกันนั้นก็อาจจะใช้สมาธิไปในทางที่เป็นโทษเป็นไทยได้เหมือนกันดังเช่นใช้ไปในทางทำคุณไส ทำลายได้ซึ่ง ก, การด้วยอำนาจแห่งสมาธิจิตเนี่ยทาได้ที่เราเรียกว่าทำกันด้วยเวทมนต์คาถาซึ่งก็ต้องประกอบด้วยสมาธิจิตแต่สมาธิเช่นนั้นะ่ะเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่เป็นไปเพื่อวความหลุดพ้นผู้ที่ใช้สมาธิจิตเช่นนั้นก็เต็มไปด้วยบาปสั่งสมบาปไว้ในใจตลอดเวลาบุคคลประเภทนี้ก็ไม่ไม่แคล้วคลาดจากการตกนรกเมื่อตายจากโลกนี้ไป เพราะว่าใช้สมาธิไปนในทางที่ผิดการได้ฌานนั้นเราสามารถที่จะใช้ฌานเนี่ยดูอะไรต่างๆได้ทีนี้ที่ดูได้นะ่ะเราต้องรู้หลักวิชาเหมือนกันถ้าหากว่าสาธุชนทั้งหลายไม่ได้ศึกษาในเรื่องหลักวิชาที่ถูกว่าจะดูได้เนี่ยดูแบบไหนไม่ใช่หมายความว่าพอหลับตาแล้วจะเห็นอะไรทั้งหมดหรือคนที่นั่งหลับตาแล้วจะต้องเห็นสารพัดอย่าง การนั่งหลับตานั้นเป็นการปิดทวารทวารหนึ่งเท่านั้นเองคือตาแต่ว่าการจะเห็นอะไรเนี่ยจำจะต้องอาศัยสมาธิจิตยังต่ำต้องขั้นอุปจารสมาธิหรือผู้นั้นจะต้องเพ่งกระสินที่เป็นบัญญัติได้ปฏิภาคณิมิตมาก่อนจึงจะสามารถดูอะไรอะไร ต, ต่างได้ทีนี้วิธีดูนั้น ก็คือใช้จิตอธิษฐานในสมาธิที่ตนเองได้นั่นเองไม่ใช่หมายถึงการถอดจิตออกไปดูหรือว่าถอดวิญญาณออกไปลอยดูโน่นดูนี่ไปเยี่ยมบ้านโน้นเยี่ยมบ้านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงอธิษฐานให้ภาพทั้งหลายเหล่านั้นนปรากฏในใจได้และก็สามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆในนิมิตอันนั้น เช่นจะคอยยกตัวอย่างสมมติว่าเราได้ปฏิภาคณมิตรมาเนี่ยผู้ที่ได้ปฏิภาคณมิตรมาจะต้องมีนิมิตอยู่กลางกายกลางกายนี่คือจะต้องอยู่ภายในไม่ใช่หมายถึงแสงสว่างที่ปรากฏล่องลอยอยู่ภายนอกแสงสว่างที่ปรากฏล่องลอยอยู่ภายนอกนั้นยังไม่ใช่เป็นอารมณ์ของจิตที่จะทำให้สมาธิเนี่ยมั่นคงแล้วเราก็จะดูอะไรต่างๆได้ มีสำหรับการใช้ อ, อ, อารมณ์ภายนอกเเป็นเครื่องคาดคะเนหรืออย่างดูเหตุการณ์ต่างๆทำได้ซึ่งอันนี้ถ้าเราอ่านวรรณคดีเก่าๆ เ, เราจะพบบ่อยๆว่าเอ๊อเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องโบราณแต่งโกหกเราสนุกสนุกเกี่ยวกับเรื่องการดูเมฆดูอะไรพวกนี้ ความจริงอันนี้เป็นหลักวิชาอันหนึ่งหรือที่เราอ่านสามก๊กของแบ่งดูดาวเก่งสามารถที่จะคาดคเนอย่างรู้ดินฟ้าอากาศได้อย่างเห็นถึงการอนาคตอะไรต่างๆได้ความจริงอันนี้เขามีวิชาอยู่วิชาหนึ่งเ้าเรียกว่าวิชาเมฆพัดเมฆขฉายเมฆพัดเมฆขรายเนี่ยคือการดูอากาศดูเมฆแล้วก็พยากรณ์ แล้วก็มีวิธีที่จะปั้นเมฆก็มีวิธีปั้นเมฆให้เป็นรูปต่างๆแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าเนี่ยต่อไปอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถอย่างดูเหตุการณ์อนาคตได้อย่างนี้เรียกว่าเมฆขพัดเมฆขฉ า, ายพวกนี้ไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาลืมตาดูก็ได้แต่ประเภทนั่งหลับตานี่ต้องอาศัยปฏิภาคิมิตรปฏิภาคิมิตเนี่ยเมื่อเราได้มาเราน้อมให้อยู่กลางกายเราอยู่ตลอดเวลาแล้ว ถ้าสมมติว่าเราจะดูอะไรสักอย่างหนึ่งผู้ดูจะต้องตั้งสัตยาธิฐานก่อนเมื่อตั้งสัตยาธิฐานแล้วจึงจะเพ่งจิตลงไปสู่นิมิตอันนี้แล้วก็ภาพที่เราต้องการจะเห็นเนี่ยจะปรากฏให้เห็นในนิมิตเหมือนกับเราดูทีวีภาพจะมาปรากฏอยู่ในจอให้เราเห็นเป็นภาพต่างๆปฏิภาคนิมิตเนี่ยจะทาหน้าที่เหมือนกับทีวีแล้วก็ภาพที่มาปรากฏเนี่ยจะถูกส่งมาด้วยอานาจของกระแสจิต ให้เห็นเป็นภาพต่างๆที่มีปรากฏอยู่ในนิมิตนั้นและเราก็สามารถจะดูได้ว่าอะไรเป็นอะไรในนิมิตหรือแม้แต่การที่เราใช้อํานาจจิตสมาธิจิตไปรักษาโรคภัย ไ, ไข้เจ็บต่างๆก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้เหมือนกันท่านทั้งหลายที่ศึกษาดูหลักปฏิบัติของสมเด็จพระสังฆราชไกรเทือนอดีตเจ้าวาดรัฐมหาธาตุเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตอีกทีหนึ่ง ลัปฏิบัติของสมเด็จพระสังฆราชไกรเถือนก็ดําเนินวิธีนี้อย่างการรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บเนี่ยทําไมจึงให้คนนั่งสมาธิรักษารักษาได้ไหมรักษาได้แต่ว่าผู้ที่รักษาได้ต้องได้ปฏิภาคณิมิตอันนี้โดยพยายามรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บด้วยอํานาจของจิตที่อธิษฐานขึ้นในปฏิภาคณิมิตอันนี้ทําได้เราไม่ปฏิเสธเพราะหลักวิชาทําได้ แต่ว่าพึงเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนารเราช่วยสงเคราะห์ได้แต่ว่าไม่ให้ติดอยู่ถ้าติดอยู่แล้วก็จะไม่เป็นไม่ใช่ทางแห่งความทนทุกข์ไม่ใช่เป็นทางแห่งความมิมุตทำได้แต่ต้องสมาธิจิตสูงเพียงพอเนี่ยฉะนั้นผู้ที่พอนั่งหลับตาแล้วจะใช้อำนาจสมาธิเนี่ยไปในทางอื่นๆก็ใช้ได้แม้กระทั่งจะดู หวยใต้ดินว่างวดหน้าเนี่ยจะออกเลขอะไรดูได้โดยอธิษฐานให้เลขปรากฏในปฏิภาคณิมิตรนี้แล้วก็เอาเลขที่ปรากฏในปฏิภาคิมิตเนี่ยไปซื้อหวยนี่ไม่ใช่อัตมาบอกวิธีให้ <c oughs> ไปฝึกกิจไปเล่นหวยเถื่อนกันนะแปลว่าหลักลูกชาน่ะเป็นไปได้ถ้าทําอย่างนี้แปลว่าบุคคลที่จะทําอย่างนี้ได้ ไม่ใช่ทำได้ไ ง, ง่ายๆวิธีการที่จะให้สำเร็จอย่างนี้ยังไม่ใช่ง่ายจะต้องเริ่มจากการเพ่งกระสินมาตามลำดับจนกระทั่งสมาธิจิตสูงขึ้นสูงขึ้นไปถึงขั้นนี้แต่อันนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิไม่ไม่ใช่เป็นทางแห่งความหลุดพ้นถ้าเป็นสัมมาสมาธิแล้วสมาธิที่เราได้หรือฌานที่เราได้จะต้องเป็นไปเพื่อ การทำลายนิวรณต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นทำลายกามฉันทะพยาบาทถีณมบิธะอุทธเจกุปจจะและวิจิกิจฉาซึ่งนิวรณทั้งห้าเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับเป็นตะปูตรึงจิตเป็นตะปูคอยตรึงจิตของสัตว์โลกทั้งหลายให้ติดอยู่ในกองทุกข์หรือท่านอุปมาเหมือนกับ